ผู้เลือกเก็บดอกไม้ใครจักรู้ชัดแผ่นดินคืออันตภาพนี้และโยมโลกคืออบัยภูมสี่พร้อมทั้งโลกนี้และเทวโลกใครจักเลือกบทแห่งธรรมอันเราแสดงดีแล้วเหมือนช่างดอกไม้เลือกเก็บดอกไม้ฉะนั้นพระเสขะจักรู้ชัดซึ่งแผ่นดินคืออันธภาพนี้และยมโลกพร้อมทั้งโลกนี้และเทวโลกพระเสขะจักเลือกบทแห่งธรรมอันเราแสดงดีแล้วเหมือนช่างดอกไม้เลือกเก็บดอกไม้ฉะนั้น อธิบายความพระศาสดาทรงเปรียบอัตภาพคือร่างกายนี้ด้วยแผ่นดินเมื่อภิกษุสนทนาการเรื่องแผ่นดินพระองค์ผู้ทรงเป็นธรรมราชาประกอบด้วยเทสนาโกษลอันยิ่งเยี่ยมไม่มีใครเสมอเหมือนมีพระประสงค์จะชักนำภิกษุให้มาสนใจในแผ่นดินภายในคืออัตภาพนี้ว่าควรพิจารณาให้เห็นแจ้งเพื่อได้ละความกำนัดในกายในที่แบ่งแห่งทรงเปรียบอัตภาพนี้ด้วยโลก ทรงบัญญัติโลกและความดับโลกในอัตภาพนี้ดังข้อความในโรหิตตัสสะสูตรสังยุตตะนิกายว่าอิมัสนิงพยามะมะเตกะเลวะเรสะสั่นยัมหิสมาเกโลคันเจวะบัญญัเปมิโลกะสมุตได้ยันจับเป็นต้นความว่าเราบัญญัติโลกและความเกิดขึ้นแห่งโลกรวมทั้งความดับโลกและทางให้ถึงความดับโลกในร่างกาย อันมีประมาณวาหนึ่งนี้ซึ่งมีสัญญามีใจครองและตรัสต่อไปว่าขมณะเนะนะณปัตตัะโบโลกาสั้นตกุดาชนังน่าจะอปัตตวาโลกาสั้นตังดุ่าอาธิปโมชนังในการไหนไหนบุคคลไม่สามารถไปให้ถึงที่สุดแห่งโลกได้ด้วยการไปธรรมดาและเมื่ อ, อยังไปให้ถึงที่สุดแห่งโลกไม่ได้ก็จะพ้นจากทุกข์ไม่ได้กบวาโลกในที่นี้ ก็สรงหมายถึงอัธภาพนั่นเองคือเมื่ อ, อยังไม่รู้แจ้งกายนี้โดยความเป็นของปฏิกลุไม่สะอาดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็จะพ้นจากทุกข์ไม่ได้โลกภายในนี้จะไปให้ทั่วด้วยยานพาหนะใดๆก็ไม่ได้หากจะไปต้องไปด้วยยานไม่ใช่ด้วยยาน ย, ยานตัวแรกคือความรู้เมื่อรู้กายนี้โดยแจงแจงแล้วก็สามารถคลายความพอใจในกายละกิเลสได้ตามมรรคนั้น ตามกำลังแห่งมากของตนของตนท่านกล่าวว่าพระเสขาสามารถรู้ชัดซึ่งแผ่นดินคืออันตภาพนี้ได้พระเสขานั้นท่านหมายถึงพระอริยบุคคลเจ็ดจำพวกคือพระผู้ทั้งอยู่ในโสดาปฏิมร์ถึงอรหัตมร์พอบรรลุอรหัตผลก็เป็นพระเสขาแปลว่าผู้ไม่ต้องศึกษาเพื่อบรรลุธรรมอีกต่อไปเพราะได้บรรลุหมดแล้ว ในตอนที่สองทรงแสดงว่าพระเสขาน่านั่นเองเป็นผู้เลือกบทแห่งธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้วเหมือนนายมาลาการคืนช่างดอกไม้ผู้ฉลาดเลือกเก็บดอกไม้ที่ดีในสวนดอกไม้มองทำแง่นี้ทําวินัยของพระตถาคตเจ้าเปรียบเสมือนสวนดอกไม้อันจะพร่งไปด้วยดอกไม้คือทำหลายหลักผู้ปฏิบัติสามารถเลือกไปปฏิบัติให้เหมาะสมแก่อัตยาศัยแห่งตนแห่งตนพระธรรมเทศานานี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถี ทรงปราลรบิกษุห้าร้อยรูปพูดสนทนากันในเรื่องแผ่นดินเรื่องพิกษุผู้สนใจในปฐวีกะถาความว่าสมัยหนึ่งพิกษุเหล่านั้นจาริกไปในชนบทต่างๆกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อกลับมาถึงเคตวนารามแล้วนั่งในหอฉันในเวลาเย็นสนทนากันถึงเรื่องแผ่นดินหรือทัศนียภาพที่ตนได้เห็นมาว่าสถานที่นั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นสวยงามไม่สวยงามมีโคลนมากมีปึกลมมาก มีกรวดมากดินดำดินแดงเป็นต้นพระสาวสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องที่เธอสนทนากันอยู่นี้เป็นแผ่นดินภายนอกพวกเธอควรสนใจและทำบริกรรมในแผ่นดินภายในคืออันตภาพนี้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโกอิมังปะทิวังวิเชสติเป็นอาทิมีในยะดังพนานามาแลแต่เบื้องน้น